ตอนที่98เกิดเรื่องแล้วดูสารรูปไม่ได้ความของแกสีมีหน้าละคนอื่นถึงได้ดูถูกถ้าแกเก่งได้ศักดิ์ครึ่งของเจิ้งอวิน๋นฉงเป็นถึงผู้นําเขตทหารตั้งแต่อายุยังน้อยล่ะก็อย่าว่าแต่เมียเลยต่อให้แกจะไปแต่งเพิ่มข้างนอกอีกกี่คนก็ไม่มีใครเขาว่าหลี่คุยไม่ใช่ว่าไม่เคยหาเมียให้เขาเขาเคยหาให้คนหนึ่งแต่หลี่ย่าจู่รั้งไว้ไม่ได้เมียคนนั้นหนีกลับบ้านเดิมไปแล้วหลี่ย่าจู่ขี้เกียจเกินไปคนอย่างเขาต่อให้แต่งเมียสักกี่คนก็ไม่มีใครยอมอยู่กินกับเขาอย่างงงจจรริัอก ตอนนี้หลีขุยเลิกหวังเรื่องแต่งเมียให้เขาแล้วหันไปฝากความหวังไว้ที่พวกหลานหลานแทนลูกผู้ชายอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงดูเมียกับลูกให้รอดท้าแม่แต่ความสามารถแค่นี้ยังไม่มีใครจะยอมมาลำบากด้วยใช่ว่าหลีขุยจะไม่เคยด่าเขาเขาพูดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ลูกชายคนนี้ไม่เคยฟังเข้าหูเลยสักนิดในสมองของหลีเย่อจู่คิดอยู่แต่เรื่องจะแต่งเมียพอแต่งกลับมาแล้วก็ไม่รู้จักถนอมน้ําใจหรือดูแลให้ดีพ่อเขาน่าเป็นผู้เท่าเจิงแล้วพ่อเราเป็นใครพ่อมีสิทธ์อะไรมาเรียกร้องจากผม ลีเย้าจู่ไม่มีความสามารถอย่างอื่นแต่เรื่องเถียงคำไม่ตกฟากนี้ถือเป็นที่หนึ่งเขาจ้องหน้าหลีขุยอย่างไม่เกรงกลัวพ่อผมยังไม่รังเกียจเลยที่พ่อไม่มีน้ำยาพ่อก็เลิกรังเกียจผมได้แล้วหน่อยข้าวหนังของแกมันเริ่มจะคันอีกแล้วสินะลีขุยถกแขนเสื้อขึ้นทำถ้าจะสั่งสอนหลีเย่าจู่หลบบ่วงไวกว่าใครเพื่อนต่อให้พ่อตีผมจนตายผมก็จะพูดแบบนี้แหละเก่งจริงก็ยืนอยู่ตรงนี้อย่าหลบสิหน้าอกของหลีขุยกระเพื่องขึ้นลงอย่างรุนแรงดวงตาพร่ามัวไปชั่วขณะ ดูสิดูลูกชายที่แกเลี้ยงมาซีน่าอับอายขายหน้าไม่จบไม่สิ้นพรุ่งนี้แกต้องกลับไปถ้าไม่กลับข้าจะถือว่าไม่เคยมีลูกอย่างแกพ่อเถอดจะไปโมโหใส่ลูกทำํำไมขนาดนั้นเลิกด่าได้แล้วแม่หลี่รีบยกมือขึ้นลูบหน้าอกเขาเพื่อปลอบโยนนิใส่ลูกเราเป็นยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วพูดไปก็เหมือนหาเรื่องใส่ตัวถ้าโมโหจนเป็นอะไรไปจะทํายังไงไอ้ลูกเวนนี่มันอยากให้ข้าตายจะแย่แล้วในเมื่อพ่ออยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ตายไปเลยยังดีกว่าหุบปากสักคําจะได้ไหม แม่หลี่หันไปตำหนิหลี่เย่อจู่พวกเราอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเรื่องของแกขนาดนี้ถือว่าทำหน้าที่พ่อแม่จนสุดความสามารถแล้วอย่าทำตัวไม่รู้จักโตแบบนี้หลี่เย่อจู่แค้นเสียงเหอะแม่จะพูดอะไรที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกยังไงผมก็จะเอาเมียแกแม่หลี่เองก็จนปัญญาลูกชายโตขนาดนี้แล้วต่อให้พวกตนจะบังคับพาตัวกลับไปก็คงไม่สำเร็จ ช่างเธอคงต้องปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่คนเดียวแม่หลีจึงหันไปพูดจาดีๆกับเจิ้งอวิ๋นชงแน่นอนว่าไม่ใช่การปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่เพื่อกินแรงคนอื่นลูกเคยแม่ฝากช่วยหางานให้เขาหน่อยนะเอาแบบที่ไม่เหนื่อยมากแต่ได้เงินเดือนสูงๆนะฝากด้วยนะลูกเจิ้งอวิ๋นชงมองดูท่าทางจองหองของหลีเย่าวจู่ในเมื่อไม่อยากกลับก็ช่างเถอะเขามีวิธีตั้งมากมายที่จะทําให้หมอนี่ัยหัวกลับไปเองหลีหลีชิงผิง ได้ยินว่าหลี่เย่จู่ไม่ยอมปรับแถมเจิ้งอวินชงยิ่งจัดหางานช่วยในห้องครัวในเขตทหารให้เขาด้วยเธอก็เริ่มรู้สึกกังวลที่ชายคนโตของฉันน่าขี้เกียจจนเป็นสันดานไม่ใช่พวกที่ทำงานทำการหลอกคุณเล็กเขาไปเลยก็ได้นะการที่คุณเอาเขาไปไว้ในห้องครัวแบบนั้นเขาจะทำเรื่องพังเอาน่ะสิวางใจเธอเดี๋ยวเขาจะไปเองเจิ้งอวิงชงยิ้มอย่างอ่อนโยนสายตาบอกให้หลี่ชิงผิงไม่ต้องกังวลถึงตอนนั้นคุณก็รู้เองหลี่ชิงผิงเมื่ออายุคันเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเธอก็เริ่มอุยอาย เธอไม่อยากจะไปใส่ใจเรื่องอื่นสิ่งที่หลีชิงผิงชอบทำที่สุดคือการยกม้านั่งมานั่งตากแดดที่ลานบ้านผลที่ตามมาคือผิวเข้มขึ้นหลายเฉดตัวเธอเองไม่ทันสังเกตแต่ท่านผู้เฒ่าเจิ้งเป็นคนพบเข้าช่วงก่อนหน้านี้ท่านผูเฒ่าเจิ้งไปทำงานต่างจังหวัดพอจู่ๆกลับมาบ้านก็เกือบจะจำหลีชิงพิงไม่ได้เออชิงผิงพ่อว่าลูกแกไปนั่งตากแดดที่ลานบ้านเลยนะท่านผูเฒ่าเจิ้งเตือนด้วยความหวังดีเพราะตอนนี้ผิวเข้มขึ้นมากแล้วถ้ายังตากแดดต่อไปไม่รู้ว่าจะดำไปถึงขนาดไหน มีอะไรเหรอคะพ่อเห็นได้ชัดว่าหลีชิงผิงยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเธอคิดว่าเป็นเพราะการตากแดดไม่ดีต่อร่างกายหรืออะไรทํานองนั้นคราก่อนคุณหมอบอกให้ฉันตากแดดเยอะๆเพื่อเสริมแคลเซียมเขช่วงไตรมาสที่สองนี่ตอนนอนตอนกลางคืนขามาจะตะคริวกินบ่อยๆซื้อแคลเซียมอัดเม็ดมาบํารุงก็ได้นะคุณนี่จริงๆเลยตาเท่าเจ้าชุนหัวเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงพูดด้วยสายตาอ่อนใจเขารังเกียจว่าแกดําขึ้นน่ะสิเพราะตากแดดนั่นแหละ จริงเหรอคะหลีชิงผิงรูปหน้าตัวเองโดยสัญชาตญาณแล้วหันไปส่องกระจกเพราะเธอเห็นหน้าตัวเองทุกวันเลยไม่รู้สึกว่าดําขึ้นตรงไหนจริงท่านผู้เท่าเจิงพยักหน้าพวกเจ้าอยู่บ้านด้วยกันทุกวันเลยมองไม่ออกหลีหวานตอนแรกที่มาก็ผิวค่อนข้างเข้มแต่ตอนนี้เธอระวังเรื่องการกันแดดแถมยังดื่มน้าผู้วิญญาณทุกวันสีผิวจึงดีขึ้นมากแล้วอย่างน้อยก็ไม่ดาเหมือนตอนที่เพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ๆ แม่ขะการตากแดดเพื่อเสริมแคลเซียมมันเทียบไม่ได้เลยกับการกินแคลเซียมอัดเม็ดถ้าขาเป็นตะคริวก็กินแคลเซียมเถอคะค่ะพรุ่งนี้แม่จะตุน๋นซุปกระดูกหมูให้อันนี้บำรุงแคลเซียมแน่นอนขอบคุณค่ะแม่ขอบใจอะไรกันเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่แม่ควรทําอยู่แล้วผู้พันเจิ้งเกิดเรื่องแล้วครับขณะที่กำลังทานข้าวกันอย่างมีความสุขจูจ่ๆพนักงานรักษาความปลอดภัยก็พรัดพราดเข้ามาขัดจังหวะหากไม่ใช่พระเจิ้งหวินชงนั่งอยู่ข้างๆหลีชิงผิงคงต้องตกใจจนขวัญเสียแน่ ลนลานแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้งหวินชงปลายตามองพนักงานรักษาความปลอดภัยพลางเอ่ยเสียงเย็นคือคือหลี่ย่าจูครับเขาถูกแจ้งความว่าไปกาะแกะสหายหญิงแถมในช่วงไม่กี่วันมานี้มีสหายหญิงหลายคนมาร้องเรียนเรื่องเดียวกันตอนนี้เขาถูกจับตัวไว้แล้วครับเขาเอาแต่ววายว่าเป็นที่ชายของคุณผู้นําเลยให้ผมมาเชิญคุณไปดูหน่อยครับอะไรนะหลีชิงผิงหน้ามือตรายร่างกายงนเงนินจนเกือบจะทรงตัวไม่อยู่ พี่ชายคนโตของเธอคนนี้ฉันโมงเ่าเหลือเกินถึงขั้นกล้าทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้ตกลงผมทราบแล้วเจิองอวินชงพยักหน้าเล็กน้อยราวกับไม่แปลกใจเลยสักนิดเขาเอื้อมมือไปตบบาหลีชิงถิงเบาๆเพื่อปลอบโยนผมขอไปดูหน่อยนะถ้าคุณอยากตามไปก็ทานข้าวให้เสร็จก่อนค่อยไปตกลงไหมตอนนี้หลีชิงถิงทานข้าวไม่ลงแล้วเธออยากจะรีบไปดูให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นหลีเย่จู่ถูกจับแล้วถ้าไม่ระวังอาจจะต้องติดคุก ถ้าเขาเป็นอะไรไปที่บ้านคงวุ่นวายกันยกใหญ่แน่แม่ขะต่อให้แม่ไปตอนนี้ก็จัดการอะไรไม่ได้หรอกเชื่อฟังพ่อเถอะขะานข้าวให้เสร็จก่อนอย่าให้ลูกชายในท้องแม่ต้องหิวเลยเสียหวานทําไมลูกถึงคิดว่าเป็นน้องชายละ่ะดูจากลักษณะท้องของแม่ลูกแล้วต้องเป็นน้องสาวแน่นอนเจ้าชุนหวาพูดขัดขึ้นมาทันทีคุณแย้ขะสิ่งที่คุณย่าพูดนะั้นมันไม่แม่นหรอกคะ่ะงั้นลูกดาวจากอะไรละ่ะก็ดาวจากการตรวจชีพจร น, นะสิหลีหวานไม่ได้พูดออกไป